เป็นหน้า54เลยเนาะวันนี้อากาศดีมากเย็นสบายฝักบวนน้อยรถในทศตระสูตรต่อเลยนะข้อ458ถึงธรรมะที่ควรละเพราะว่าธรรมะที่มีอุปการะมาก ธรรมะที่ควรเจริญธรรมะที่ควรกําหนดรู้เนี่ยนะแล้วก็ว่าไปแล้วนี่มาดูธรรมะที่ควรละประหาตประธรรมเนี่ยนะหมวดเก้าก็คือธรรมะอันมีมูลมาแต่ตันหาเก้าธรรมะอันนี้ไม่ใช่แปลว่ากุศลธรรมนะจริงๆอ่ะบาปประธรรมทั้งหลายที่มาจากตันหาเป็นมูลเหมือนกันเถอะหรือว่าความเดือดร้อนที่เกิดจากตันหาไม่ใช่หมายถึงกุศลธรรมอะไรหรอกนะี่ยนะ กูตันหาไม่ได้เป็นเหตุแห่งกุศซลธรรมอันหนึ่งปกติตันหาเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนเนี่ยนะคือตันหาที่เป็นมูลแห่งวัตตะอย่างหนึ่งกับตันหาที่เป็นมูลแห่งการสแสวงหาอย่างหนึ่งตันหาที่เป็นมูลแห่งวตตะเนี่ยนะก็คือตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพ وب เป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปาญาตเนี่ยนะ สรุปว่าตัณหาที่เป็นเหตุเป็นมูลแห่งวัฏทุกข์ทั้งมวลส่วนตรงนี้ตัณหาเป็นมูลแห่งการสแสวงหาเนี่นเยเพราะตัณหานั่นแหละเป็นเหตุให้สแสวงหาถามว่าสแสวงหาอะไรก็สแสวงหารูปสแสวงหาเสียงสแสวงหากลิ่นสแสวงหารสแสวงหาโพธิภพแสวงหาสัตว์เลี้ยงนีน แสวงหาบุตรหาภริยาหาแพะแกะไก่หาเงินหาทองหาบ้านหาช่องหาเรื่องสวนไร่นาหาที่ดินหาเนี่ยที่เราหาหากันอ่ะนะก็อย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เราได้อ่ะเป็นผลของการแสวงหาน่นะที่เรามีมีอยู่นโดยทั่วๆไปแล้วเป็นผลของการแสวงหามันตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้แสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโพธิภาพเป็นต้นนั่นเอง นี่พอแสวงหามันก็แบ่งออกเป็นสองเลยบางอย่างก็หาแล้วได้บางอย่างหาแล้วก็ไม่ได้ทีนี้มาดูไอ้ที่หาแล้วได้เอ๊ที่เราหาที่ได้กับไม่ได้ไหนมากกว่ากันคุณจุ่มเอแสวงหาเนี่ยนะได้กับไม่ได้ไหนมากกว่ากันไม่ได้มากกว่าเนี่ยคือคิดอยากได้อะนะแล้วก็เที่ยวหาเนี่ยนะได้บ้างไม่ได้บ้างนะเอ๊ะได้บ้างกับไม่ได้บ้างอันไหนมากกว่ากัน ว่ารวมๆก็คือได้บ้างอ่ะน้อยที่ไม่ได้เนี่ยเยอะเพราะอะไรเพราะในโลกนี้นะถ้าแสวงหาแล้วมันได้อย่างที่ตัวเองคิดหมดไม่มีคนเดือดร้อนอย่างทุกวันนี้หรอกนะก็แสดงว่าแสวงหาแล้วไม่ได้เป็นส่วนมากคือไอ้สิ่งที่เราแสวงหาเนี่ยคนอื่นเ้าก็หาเราต้องการ <c oughs> ใช้คนอื่นก็หาแต่ถ้าหาว่ามาพูดถึงรวมๆว่าเมื่อแสวงหาแล้วมันได้เนี่ย มันได้ทั้งสิ่งที่เราไม่ต้องการก็ได้ได้สองอย่างนะคือตรงนี้ก็แบ่งเอาแบบได้ที่ดีอ่ะไอ้ได้ที่ไม่ดีถือว่าเสียนะคือว่ารวมๆนะตัณหาเนี่ยอยากได้ก่อนแหะอยากแล้วได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งทีนี้ไอ้ไม่ได้ละไว้เอาเหลือแต่ที่ได้อะนะเช่นสรุปว่าถามว่าไอ้ที่ได้คืออะไรก็คือเนี่ยเราล้อมเอะ ดทูที่ในทวารทั้งหที่เรารับรู้ที่เราถือว่าของเราอันเนี้ยถือว่าเราได้แล้วนะส่วนที่เราถือว่าของเรานะีส่วนแล้วมันจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าอีกเรื่องนึ่งแต่เราถือสิ่งนั้นว่าของเราอันนี้คือผลของการสแสวงหาของเรานี่พอได้ อันนั้นคือได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้โพธาผ้ได้สุนัขได้ไก่ได้แพะได้นกเขาได้รถได้บ้านได้ที่ดินได้ต้นลำไยต้นองุ่นทั้งหลายแหละเนี่ยการแสวงหาพวกนี้แล้วก็ได้อย่างที่คิดเนี่ยนะได้ตรงนี้ไม่หมายถึงการมาคุณอย่างเดียวหรือว่าหมายถึงพวกพวกอะไรพวกชานพวกอะไรในความที่ได้มาเน้เฉพาะเน้นเฉพาะการมาคุณหรือว่ารวมทั้งถึง พวกฌานพวกอะไรที่สามารถแสวงหาได้โดยการคิดด้วยก็รักษาใกันนะนะแตตรงนั้นก็คือตัณหาที่เป็นมูลแห่งภพคนในกันที่กําลังกล่าวนะนี่ก็คือสแสวงหาฌามนั่นแหละนะวางง่ายๆเลยก็ได้ฌามอย่างที่ตัวเองสแสวงหาแล้วนะแต่สแสวงหาเนี่ยอาจจะตั้งไว้สูงมากนะแต่มันได้น้อยอยันนี้นก็อีกเรื่องหนะ่ง อ ย, อย่างในยุคทุกวันนี้ก็สแสวงหางานใช่ไหมยกตัวอย่างอาแสวงหางานและมีงานทําพอมีงานทําก็มีรายได้ยก็มีรายได้ผลของงานขึ้นมาเนี่ยพอมีรายได้แล้วทํำยังไงตกลงใจละเนี่ยนะว่าถ้าสมมตินะเงินเดือนห้าพันเนี่ยจะทํายังไงบ้างเนี่ยตกลงใจแล้ว น, นะแบ่งปันน ะ, ะเออนี่ค่าชาวบ้านนี่ค่ารถนี่ค่าอาหารนี่ค่าเสื้อผ้านี่ค่าแต่งตัวเนี่ยนะก็แบ่งไปละ ก็จัดสรรบันส่วนเบ็ดเสร็จหมดนนีหารหมดเลยใช่ไหมว่าจะต้องเอาไปทำอะไรบ้างนะนไหนจะแล้วก็การจัดสรร น, นี่ก็บางคนก็จัดสรรเป็นรายวันใช่ไหมบางคนก็จัดสรรเป็นรายเดือนบางคนก็จัดสรรเป็นรายปีว่าเออปีนี้เราจะต้องเอาไปทำอะไรบ้างนะอันนี้คือเป็นผลของรายได้หรือไม่ก็สแสวงหาเสื้อผ้าใช่ไสมได้เสื้อผ้ามาหลายชุดนะจัดแบ่งเสร็จเออสีขาวออกงานนั้น เสื้อสีแดงออกงานนี้เนี่ยนะเสื้อสีเหลืองออกงานนู่นอย่างงี้ยนะก็จัดสรรเสื้อผ้าเบ็ดเสร็จเรื่องอาหารถ้าได้อาหารมาเอออาหารนี้มื้อเช้าอันนี้มื้อเที่ยงอันนี้มื้อเย็นอันนี้อาหารว่างนะนไแบ่งหมดนะนะรถเนี่ยเออนี่อ้าวถ้าไปใกล้ๆหน่อยใช้รถเครื่องใกล้กว่านี้หน่อยใช้รถกระบะมากกว่านี้ใช้รถเก่งอะไรก็เริ่มแบ่งแล้วนะแบ่งเบ็ดเสร็จแล้วว่าเออรถจะต้องใช้ยังไง บ้านนี้ก็แบ่งในะตรงนี้ที่พักกลางคืนตรงนั้นที่พักรลางวันเนี่ยนะตรมไม้นูน่นก็แบ่งเบ็ดเสร็จหมดเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยวัตถุทั้งหลายแล้วเนี่ยนะบางทีแว่นตาอันนี้กันแดดนะเอาไว้ใช้ตอนแดดอันนี้เอาไว้อ่านหนังสืออันนี้เอาไว้ดูทั่ ว, วไปเนี่ยนะบางคนก็มีแว่นต่างหลายชุดนะแล้วก็แบ่ ง, แ บ, งแบ่งเบ็ดเสร็จและว่างั้นเถอะพอเกิดการตกลงใจแบ่งอย่างที่ตัวเองแบ่งเสร็จแล้วก็ กำหนัดแล้วใช่ไหมพอใจมากเมื่อได้ไปไปอย่างที่ตัวเองคิดนะอะไรที่ตัวเองจัดสรรนนีะ่มันเป็นไปตามต้องการหมดนี่พอใจมากเพราะฉะนั้นก็บอกว่าความกำหนัดด้วยามสามารถแห่งความพอใจนี่เกิดจากการตกลงใจนนะนะไอ้ตกลงใจตัวนั้นเนี่ยมาจากการจัดสรรปันส่วนเนี่ยนะแปล ว, ว่าบริหารเป็นองนั้นเถอะบริหารวัตถุกรรมเป็นพอบริหารเป็นเนี่ยนะได้อย่างที่ตัวเองต้องการก็พอใจมาก ไปทานร้านอาหารเนะี่ยอาหารนั้นมันยังอยู่ที่ร้านอยู่เลยแล้วเรายังไม่มีกะตางเซนเะนี่ยก็เกิดขนาดแล้วที่จะต้องอร่อยอย่างนี้เกิดยากดังนั้นไม่เชื่อขนาดคือค่อยๆไล่าตามอันนะคืออาท่านท่านต้องมองตั้งแต่ข้อหนึ่งมาเลยนะข้อหนึ่งสแสวงหาก่อน น, น, นะเช่นต้องการอะไรก็ได้ที่เราต้องการเนี่ย อ, นนะอย่างเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างให้รูปเสียงกลิ่นรถโพธาส์แสวงหาบ้านสแสวงหางานทําแสวงหาสรารพัดที่จะหาเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งเราจึงสแสวงหาขึ้นพอสแสวงหาก็ได้ได้อย่างที่เราต้องการเช่นนะอย่างทุกวันนี้ก็เห็นชัด ก, ก็คือสแสวงหารายได้เนี่ยนะก็มีรายได้อย่างที่ตัวเองต้องการพอมีรายได้ก็มาเฉลี่ยมาเฉลี่ยว่าประโยชน์ของเราเนี่ยมันทำยังไงบ้างในรายได้ ประจำตีประจำเดือนประจำวันเนี่ยจะเอามาทําอะไรเห็นไหมพอจัดสรรบรรส่วนเสร็จก็พอใจอะนะนีอย่างที่ตัวเองต้องการได้อย่างที่ตัวเองปรารถนาพอได้อย่างตัวเองปรารถนาอย่างเงี้ยราคาอย่างอ่อนนั่นเลเรียกว่าราคาอย่างอ่อนก็ยึดติดละว่างั้นเถอทีนี้พอยึดติดบริโภคสิ่งนั้นๆเข้าไปมันยึดแรงเห็นไหมตอนแรกๆกก็บอเขาว่าเออก็ดีอะแต่นานๆเข้ามันยึดจริงๆเลยแหละว่าของเรานะว่างั้นเธอ ไอ้ความกล้ากลนืนนั้นแปลว่าความยึดถืออย่างแรงนะเพราะอะไรเพราะความพอใจนะคือแรกๆกอาจจะติดไม่ค่อยมา ก, ก น, นะใช้ไปบ่อยเอ๊ะมันเอ็นดีนี่อ่างนั้นแตพอใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะความติดพันในสิ่งนั้นรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นพอกล้ากลืนอย่างนั้นก็เกิดการห่วงแหนขึ้นเนี่ยนะห่วงแหนยึดถือด้วยอำนาจตันหาทิฐินะห่วงแหนโธ่ อย่างดีเลยนะพอหวงแหนก็ตนีไม่ต้องการให้เป็นสาธารณะที่แบบสัมนวนโบราณท่านบอกว่าขอความอัศจรรย์อันนี้จงเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวเห็นไนหะก็คือตนีมากไม่ไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ไปไปอยู่ในมือคนอื่นไม่ต้องให้คนอื่นเนี่ยมามามีอํานาจมามีบทบาทมาก้าวไายอะไรจนเกินไปเนี่ยนะตณีเกิดขึ้นปกปกัปกรักษา รถเราเนี่ใครอย่าแตะเด็ดขาดเนี่ยนะม้าเราเนี่ยใครอย่ามายุ่งเลยนีก็ติดมากเลยนะเขาไม่มีใครไปยุ่งแล้วเขาไม่แย่งลยแล้วคุณลาวันตัวนั่นนะนีะน่สิบกว่าปีแล้วนะถ้าคนนี่สิบกว่าปีเขายังชั่วนะสุนัขสิบกว่าปีเนี่ยหมาไฟฝ่ายโน้นแล้วพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าถ้าอายุขนาดนั้นว่ารุ่นชำเรืองลงแล้วเนี่นะ ชำเรืองได้อันเดียวยังอื่นไม่ได้แล้วเราอายุมากแล้วนะนั้นไ อ, ไอความตนี่ห่วงแหเนี่ยมันยึดหมดอ่ะนะไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยยึดหมดเลยที่ที่สำคัญว่าเป็นของเราเนี่ยนะอะไรมั่งลองไม่ยึดไหยหรือถ้าวัตถุใดที่เราไม่ตนีวัตถุนั้นใครเอาไปใช้เราก็เฉยเฉยอ่ะ น, นะมันอยู่กับเราหรือมันจากไปเราเช้เฉยอันนั้นวัตถุนั้นเราไม่ตนีแต่ถ้าวัตถุใดที่มันไม่เห็นนะ มันไม่เห็นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใครเอาไปเนี่ยคราเนียแล้วซักๆักอ่วนะสืบสาวประวัติทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ทำด้วยกุศลเราส่วนใหญ่ทำด้วยโทสะเนี่ยนะเพราะผลของความหวงแหนความตนีทีนี้พอตนีเข้าอย่างนั้นก็ทำไงครนี่ที่จะดูแลได้นานขึ้นในการยึดถือว่าของเราอะนะก็ปกปักรักษารักษาเนี่ยวิธีการทำยังไงถ้ามันกว้างใหญ่หน่อยก็ทารั้ว น, นะฮะรอบนอกเลยนะก็ทํารั้วขึ้นเพื่อรักษานะอันนะบางทีก็รั้วมันก็แบ่งเป็นรั้วชั้นนอกเรียกกาแพงแล้วมารั้วชั้นในอีกเนีะนะแล้วก็มารั้วชั้นในประตูบ้านประตูบ้าน al, แล้วก็ชั้นในอีกนะประตูห้องประตูห้องเสร็จมันก็มีประตูตู้เซฟใส่หีบนะมันก็มีประตูหีบอีกกันนะหมาโอ้โหรักษากันมานะ้าดูเลยตามขั้นขั้นขั้นขั้นเลอการปกปิดการรักษานี่ก็แล้วแต่วัตถุนั้นอ่ะ ยึดขนาดไหนถ้ายึดมากรักษามากยึดไม่ค่อยมากก็รักษาไม่ค่อยมากนะก็อยู่ที่การยึดถือว่ายึดแรงรักมากนะอย่างเช่นพวกสมมตินะว่าอย่างพวกกระเป๋าสตางค์เนี่ยอันนี้รักษาดีเยี่ยมมากเลยนะอันนี้รักษาจนขนาดไปไหนเอาพกไปด้วยไม่ยอมให้คลาดสายตาเลยอะ่ะอันนี้แสดงว่ารักษามากเนี่ยนะเสร็จ แ, แล้วพอรักษาแล้วทาไงปัญหามันก็คือวัตถุกรมเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าตรัส ว, ว่าเหมือนชิ้นเนื้อเมื่อเหมือนชิ้นเนื้อก็แปลว่าเป็นที่แย่งชิงกันเนี่ยนะเป็นที่แย่งชิงกันนะเมื่อแย่งชิงก็นทำไงกันนี่ไอ้ฝ่ายที่ต้องการก็วางแผนที่จะเอาทำยังไงจะเอามาให้ได้ไอ้คนที่รักษาเนี่ยทำยังไงจะให้เป็นของเรานานที่สุดเนี่ยคือที่มาของการทะเลาะล ก, กันเนี่ยนะทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันเรื่องนี้เรื่องตามนี่แหละ แม้กระทั่งในทางศาสนานั้นนะที่ว่าทะเลาะ ก, กันเรื่องทิฏฐิทิฏฐิแกอย่างงั้นทิฏฐิฉันอย่างเงี้ยนะจริงๆริะตอนแรกมันทะเลาะ ก, กันทิฏฐิจริงแต่มันมีเบื้องหลังคือวัตถุกรรมนะนะอย่างอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยเดชะถีมาหาเรื่องพระพุทธเจ้านี่นะจริงๆริงไม่แน่ว่าไอเรื่องทิฏฐิตัวแรกจริงๆแล้วไม่ใช่ทิฏฐิแต่จริงๆคือมันล่าความเชื่อถือก่อนนะว่าฉันเป็นคนที่มีทิฏฐิที่น่าเชื่อถือที่สุดในบรรดาทุกคนทั้งหลายทิฏฐิฉันดีกว่าเพื่อน ถามว่าเพื่ออะไรเพื่อให้มีศาสนิกให้มีคนมาเห็นด้วยเรียกว่าเริ่มล่าานานิคมทางทิฐิหรือทางความคิดเนี่ยนะก็มีคนมาเห็นด้วยขึ้นเมื่อมีเห็นคนมาเห็นด้วยทําไงก็จะได้มีลาบนะเพราะคนเขาไม่ได้มาตัวเปล่าเขาพกมาด้วยอย่างเงี้ยโยมเขาถือไฟฉายมาด้วยอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มาตัวเปล่าอย่างเง้ยนะมีน้ำปะณะมาด้วยอย่างเงี้ยฉันก็จริงๆแล้วไอการล่าความเชื่อถือคะแนนทั้งหลายแหละมันมีเบื้องหลังอยู่คือวัตถุตามทั้งหลาย ทนี้อต้นหัวหัวหัวหัวใหญ่มันอยู่ที่ทิฏฐิเพราะฉะนั้นถ้าทิฐิเราชนะคนอื่นนะมันก็เหมือนกับว่ามันติดร่างแหมาเยอะถ้าทิถฐิเราแพ้ไยนะร่างแหมันก็ลดลดลงไปเนี่ยนะถ้าคนเข้ามาน้อยวัตถุก็น้อยอย่างพราหมณ์คนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าข้าพเจ้าทำอย่างนี้ข้าพเจ้าก็จเสียเกียรติอะไรเ้นะเมื่อข้าพเจ้าเสียเกียรติ เนี่ยนะข้าพเจ้าก็จะเสียคนเออเรียกว่าเสียคะแนนนับถือเมื่อเสียคะแนนนับถือมันก็เสียรายได้ผลประโยชน์ของข้าพเจ้ามันก็ลดลงฝังเขาก็หวงแหนมากทนุถนอมปกปักรักษาทิฐิเนี่ยนะเพื่อจริงๆก็คือรักษาการมนั่นเองอันอตัวตันหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะเกิดการแบ่งแยกเกิดการชิงดีชิงเด่นเกิดสารพัดเนี่ยนะก็เพื่อต้องการรักษาวัตถุกรรม สงครามทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นนะ่ยคือการปกปักรักษาวัตถุกรรมเนี่ยนะอันนี้คือผลของการรักษานะจะต้องทะเลาะกันจะต้องเข้นข่ากันจะต้องแบ่งแยกกันจะต้องสารพัดเพื่อที่จะรักษาวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยนะรักษาผลประโยชน์ใช่ไหมอพการ น, นิสถานถูกบอมก็เพราะรักษาผลประโยชน์เนี่ยนะมันก็เรื่องผลประโยชน์เป็นหลักนะการทะเลาะการเบาะแวงหรือแม้กระทั่งการคอมเนนะถ้าเกิดการคอมเนกันที่ไหนให้รู้ว่าตรงนั้นอนะ่ะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะเป็นการศึกชิงกามถ้ากามน้อยมันก็ชิงน้อยวัตถุถ้าชิ้นใหญ่มันก็ชิงแรงมากมาเนี่ยในในพวกตรัสถึงอส า, าธาของกามเนี่ยมีน้อยนักโทษของกามนี่มีมากกว่าเหมือนอะไรเหมือนอย่างว่าไอกาตัวหนึ่งหรือ น, นกตัวหนึ่งมันไปโฉบเอาก้อนเนื้อมาก้อนโตมากเนี่ยนะพอได้ก้อนเนื้อก้อนนี้มามันโตมากแล้วมันก็คาบไปยิ้มแป้เลยนะไอตัวอื่นเห็นบอกเออฉันก็เห็นเนี่ย วันฉันขอมีส่วนด้วยแบ่งกันนะไม่ได้นะฉันกว่าจะได้ก้อนนี้มาเอาไม่ให้เลยไม่ให้ฉันก็ตีกันดิอันนั้นก็นกก็ตีกันตีซ้ายตีขนาบซ้ายขนาบขวาก้อนเนื้อมันก็หลุดพอก้อนเนื้อหลุดไอตัวใหม่มันก็โชบรีบเฉียวไปเลยนะไอเจ้านั้นเนี่ยถูกตีถูกตีกันะถูกตีซะเละอีกแล้วก็โชวไปนะเจ้าใหม่ก็มาคาบต่อไปอีกอย่างเงี้ยก็อยู่อย่างนี้นะวัตถุกามทั้งหลายในโลกนี้ลักษณะเดียวกัน ใครที่ปกปักรักษาเนี่ยนะ ก, ก็ถือว่าของตัวเองใช่ไหมเดี๋ยวเจ้าอื่นมาโฉบแล้วถ้าพูดแบบโบราณเนี่ยยิ่งชัดนะพวกที่ยึดถือแผ่นดินเนี่ยนะอ้าวแผ่นดินตรงนี้มันของฉันฝ่ายหนึ่งยกทหารมาแล้วมาตีบอกมาใช่ฉันมีส่วนเจ้านี้ก็รักษาไปนะพอรักษาอีกพักหนึ่งเอาอื่นมาตีมาต่อยมันก็เลยไม่ใช่ของใครอย่างอย่างแท้จริงอะไรเห็นไหม แต่สมัยนี้ก็เออความเจริญทางวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นเอางี้ก็แล้วกันนะเราอย่าไปล่วงเกินซึ่งกันและกันนะมาปั่นส่วนกันนะแต่ขนาดนั้นก็ยังทะเลาะกันอีกจนได้เพื่อสึกแย่งแย่งกรรมเนี่ยนะแย่งวัตถุกรรมคือถ้าไม่มีวัตถุเข้ามามาเป็นที่แย่งกันนะสัตว์ทั้งหลายไม่ค่อยทะเลาะกันมีเมตตากันนะนี้ไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องต่านะแต่ว่ามันจริงๆที่เราก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่ สุนัขเนี่ยถ้ามีสี่ห้าตัวนะถ้าไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นมันจะไม่กัดกันหมันสมัครสมานสามารถเลียกันให้กันด้วยนะมันเคลียกันด้วยมันดูแลกันอย่างดีอ่ะนะมันเล่นกันได้เย้ากันได้แต่ถ้ามีก้อนเนื้อมีกระดูกมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะถ้าโยนก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเข้าไปเนี่ยมันทะเลาะกันทันทีเลยอ่าทาที่ใดยังไม่มีวัตถุกามที่นั่นจะมีความสมัครสมานสามารคีกันมากพอมีวัตถุกามก็แย่งกันและคะนี้ นี่คือผลของตัญหาทั้งนั้นแต่ว่าต้นเดิมจริงๆก็มาจากตัญหานี้ถามว่าตัญหาอันนั้นมาจากไหนตัญหาตัญหามาจากเวทนานะีที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่ได้ทำปริญญาในเวทนาว่าให้ตรงๆนะที่เขายังมีความพอใจอย่างนี้อยู่จริงๆไอ้ความพอใจทุกอย่างเพื่อสนองเวทนาเพราะเขาไม่ได้ทำปริญญาในเวทนา ถ้าเขาเจริญเวทนาโนบสนาเนี่ยนะเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกเห็นทุกขเวทนาเหมือนกับลูกศรเห็นอทุกขมสุขเวทนาเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะหรือเห็นทุกขเวทนาเนี่ยเป็นทุกขทุกสุขเวทนาเป็นวิปริณามาทุกอทุกขมสุขเวทนาเป็นสังขาราทุกขถ้าตามเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นทุกขอย่างแท้จริงก็สามารถที่จะละอันเนี้ยละตัณหาเพราะว่า ตัญหาจริงๆในการแสวงหาก็เพื่อมาสนองเวทนานั่นเองนัไแห่อะไรนะอย่างเงี้าเช้าแห่อะไรแม่สิพันธ์อ๋อแห่งานบวชนะแห่งานบวชมันจะุอมนึกเหมือนเรามมาเลยนะแห่งานบวชนกี่วันเนาะ บวชอย่างนี้ยังไม่สึกเลยนะยิ่งใหญ่มากทีเจ็ดวันอ่ะนะฝ่ายครัวก็บอกยังล้างชามไม่ทันเสร็จแล้วสึกมาแล้วยังไม่ได้คืนของยังไม่ได้คืนของเลยนะมันสึกมาแล้วอเห็นสุกโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนเห็นทุกข์เหมือนลูกศอนเห็นอุเบกขาโดยความเป็นของไม่เที่ยง ถามหมายถึงจัดประเภทของของเวทนา่ไหที่กล่าวไปังไม่กล่าวไปก็ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษกว่าไอเวทนานุปัสนาเนอะก็มีวิธีการพิจารณาอยู่สองวิธีเนี่ยนะวิธีแบบที่เราียกว่าเวทนานุปัสนา สติประทาบเนี่ยนะแสดงว่าพระองค์กล่าวว่าให้เห็นสุขโดยความเป็นทุกข์นะเห็นทุกข์เหมือนกับลูกศรเห็นทุกขมสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงปกติผู้ที่เห็นสุขโดยความเป็นทุกข์จะละราคาได้เห็นทุกข์เหมือนลูกศรละโทสะเห็นทุกข์ขมสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงละโมหะนี่อีกในหนึ่งก็คือ โดยทุกขสัตย์นะเห็นโดยทุกขสัตย์ก็คือเห็นสุขเวทนาเป็นวิปริณามทุกขเห็นทุกขเวทนาเป็นทุกขทุกเนี่ย น, นะเห็ น, นทุก ข, ขมสุขเวทนาโดยสังขารทุกเนี่ยนะอันนี้ก็ละกิเลสเองเหมือนกันนะ จึงถ้าพิจารณาตามนี้นะเช่นเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์ละราคะอันนี้เรียกว่าจับรรลุวิโมกวิโมกคืออะไรอัปตานิฮิตาวิโมกเหนะอัปตานิหิตาวิโมกเห็นทุกข์กขุขุกเป็นต้นเนี่ยนะก็คืออนิมิตตวิโมก ถ้าเห็นสังขารทุกข์ก็คืออะไรเป็นสุญญะาาวิโมกทีนี้ถ้ากล่าวสุขเนี่ยที่ความสุขเกิดขึ้นเนี่ยอะไรเป็นเครื่องวัดก็คืออารมณ์ถ้าเป็นสุขเวทนาก็เท่ากับกำหนดอะไรอิทธารมน์ทุกขเวทนาก็ทำปริญญาใน อเนธารมทุกขามาสุขเวทนาก็คือมัดมัดชัดตารมอนอารมณ์อันนี้จริงๆก็ต้องมาคูณกับทวารด้วยนะมันเกิดตามทวารต่างๆ น, นกระแสเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วแต่เราจะยกส่วนไหนขึ้นมาแสดงแต่ว่าโครงสร้างเขาจะเป็นแบบนี้ ตรงนี้เรียกว่าเพิ่มพิเศษละกิเลสถ้าเรามองโครงสร้างอันนี้ออกเวลาที่บายแล้วก็ไม่สับสนนะนเ คือถ้าจะละตัณหาจริงๆมันก็ต้องไปละที่คือจะละตัณหาจริงๆอ่ะคือด้วยการทำปริญญาในเวทนาเพราะว่าถ้าทำปริญญาคือพิจารณาเวทนาโดยรอบคอบจึงจะละตัณหาได้เพราะอะไรเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับนัน้นหมายถึงผู้ที่เขารอบรู้ในเวทนาแต่ทีนี้ถ้าจะรู้เวทนาจริงๆก็ต้องรู้ภาษาเพราะภาษะเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาทีนี้ภาษะมาจากไหนก็มาจากอายตนะ อยายตนะมาจากไหนก็นามรูปนั่นแหละเป็นปัจจัยแล้วนามรูปมันเริ่มก่อร่างสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งแต่เมื่อไหร่นะนามรูปเกิดได้ยังไงมาจากฟิญญานฟิญญาณก็มาจากไหนมาจากกรรมมันนะสรุปว่าต้องทําปริญญาหมดเลย mm hmm. คือมันไม่สามารถรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่ไม่รู้ทั้งทั้งระบบได้หรอกมันก็ต้องรู้ทั้งระบบนั่นแหละก็ จะละตัณหาได้จริงๆก็ต่อเมื่อทำปริญญาแล้วนะถ้าไม่ทำปริญญาไม่สามารถละตัณหาได้หรอกนี่มาขึ้นอีกหมวดหนึ่งเลยนะธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมหานภักยะเสื่อมแค่ไหนก็ตกนรกจริงๆเลยแหละนี่นะเสื่อมจนขนาดว่าถึงกับทุกคติเลยนะในอัตกถายพระสูตรหนึ่งกล่าวถึงความทุกคตินี่มีสองอย่างย ในตถาสันเลขสูตรเนี่ยนะพูดถึงความเสื่อมมีสองเสื่อมโดยทุกขติอันนัคือทุกขติเนี่ยมีสองชนิดทุกขติแบบปฏิบัติคือปฏิบัติทุกขติบางเงนเธอปฏิบัติแบบใบชั่วอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือคติที่เป็นทุกขติจริงจริงขติที่ที่เป็นอบายทั้งหลายเกิดจากอะไรก็เกิดจากการปฏิบัติที่เป็น ทุคติเนี่ยนะนั่นไอ้ธรรมะที่เป็นเหตุแห่งความเสื่อมก็คือเป็นเหตุแห่งทุกคตินั้นผู้ที่มีอาคารวัตถุทั้ง9ประการเนี่ยนะก็ปฏิบัติไม่ดีตั้งแต่ตั้งแต่ตอนต้นแล้วมาดูธรรมะที่เป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อมนะตรงนี้จริงๆก็ยกให้โทสะอย่างเดียวเนี่ยนะว่าโทสะเนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้วนำเสื่อมอย่างเดียวแต่อันนี้โทสะก็มาแบ่งตามอาการนะว่า เวลาจะโกรธขึ้นเนี่ยนะโธสระเนี่ยมันก็แบ่งไปแล้วแบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มทําลายประโยชน์เราสองทำลายประโยชน์คนที่เรารักสามไปช่วยศัตรูเรานี่นะอันนี้แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะก็แบ่งเป็นสามกลุ่มนี้มากลุ่มย่อยๆนะเกี่ยวกับเรื่องทําลายประโยชน์เราก็แบ่งออกเป็นสามการนีนะคือ ทำลายผู้ที่เรารักก็แบ่งออกเป็น3การช่วยเหลือประโยชน์ศัตรูเราก็แบ่งออกเป็น3การนั่นเองพอแบ่งเป็นการอย่างนี้ก็จะเป็นเนี่นะเขายกกำลังอะไรก็ไม่รู้นะก็ไปดูเอาอ่านะจำง่ายง่ายนะว่าโทสะอ่านะอาคาตวัตุก้าวเนี่ยนะทยอยๆมาแล้วคือโทสะอย่างเดียวทีนี้โทสะก็แบ่งออกเป็นว่าเออเนี่ยทำลายประโยชน์เรานะสองทลายประโยชน์คนที่เรารัก สมันไปช่วยเหลือศัตรูเราแบ่งเป็นสามใช่ไหมทีนี้ในแต่ละอย่างก็แบ่งออกอย่างละสอีกมันเคยทําลายประโยชน์เรามันกําลังทําลายประโยชน์เรามันจักทําลายประโยชน์เราก็เอาการสนี่มาจับมันเคยทําลายประโยชน์คนที่เรารักกําลังทําลายประโยชน์คนที่เรารักจักทําลายประโยชน์คนที่เรารักอันนี้ก็คนละสามมนะศัตรูอีกก็สลักษณะเดียวกันแต่ศัตรูนี้เขาไม่ได้ไปทําลายประโยชน์ศัตรูเรานะเขาไปช่วยเหลือ ประโยชน์ศัตรูเราคือเคยช่วยกาลังช่วยจักช่วยถ้าจะว่าไปเนี่ยนะโทสะที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อได้รับการถูกทำลายประโยชน์ใช่ไหมก็ประโยชน์ทั่วๆไปอย่างที่เห็นก็ประโยชน์ในโลกนีาชัดนะนะการทะเลาะกันกันแข่งแย่งกันก็เพราะจากประโยชน์ในในพบนี้แต่ก็มีบางกลุ่มที่โกรธคนอื่นเพราะเขาทาลายประโยชน์ในพบหน้าของเราตัดช่องทางไม่ให้เราไปทาบุญเป็นต้นนี่ใช่ หรือบางพวกก็ทําลายประโยชน์อย่างยิ่ง น, นะนีคือเข้ามาตัดประโยชน์ไม่ให้เราปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานอันนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความความโกรธอย่างแรงยกตัวอย่างว่าบุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้ได้เคยประพฤติแล้วซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราอันนัมันเคยทําลายประโยชน์เราเคยทําลายอะไรบ้างอันนันการทําลายประโยชน์มันก็แบ่งออกเป็นอันนะ อย่างโดยทั่วๆไปที่เห็นๆ เ, เลยก็คือประโยชน์โลกนี้ใช่ไหมบางกลุ่มที่สแสวงหาประโยชน์โลกหน้าก็คนมาตัดประโยชน์โลกหน้าเราไปก็อาจจะโกรธบ้างบางคนก็ทําตัดประโยชน์อย่างยิ่งนะไม่ยอมให้ปฏิบัติกวนตลอดเป็นต้นเนี่ยนะก็ชื่อว่าทําลายประโยชน์การทําลายประโยชน์นี่ก็แบ่งออกเป็นสามทวารการทําลายประโยชน์ทวารกายทวารวาจาและทวารใจคือถ้า คนที่เคยทำลายประโยชน์ของเราเนี่ยนะเช่นประโยชน์ในโลกนี้ทำลายประโยชน์เราอะไรเช่นในด้านอาชีพใช่ไหมเคยทำลายประโยชน์เราในเรื่องอาชีพตัดการทำมาหากินเราออกไปเนี่ยนะอ่าพวกนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเนี่ยนะตัดเรื่องการงานเรื่องอาชีพเรื่องรายได้นะมาทำลายรายได้ของเราหรือ พวกที่มาทําลายกิจกรรมของเราที่เราพอใจมากเนี่ยนะที่เรามีความสุขกับกิจกรรมนั้นนั้นถ้าผู้ใดมาทําลายกิจกรรมเหล่านั้นเราก็ไม่พอใจเนี่ยนะหรือเรากําลังทําอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เนี่ยนะคนอื่นเขาไม่ช่วยกว็ชื่อว่าเขาทําลายประโยชน์ด้วยเหมือนกันนะมีไหมสมมติว่าเราทําอะไรแล้วพวกมันไม่ช่วยนะชื่อว่าทําลายประโยชน์เราเหมือนกันโทษฐานว่าไม่ช่วยเราเหมือนกันนะ ก็บางคนเนี่ยที่โกรธเนี่ยไม่ใช่โกรธเพราะเขามาทําลายโกรธเพราะเขาไม่ช่วยหรือบางทีนะผลผลลัพธ์เนี่ยมันจะต้องใช้ประโยชน์สิ่งนั้นร่วมกันใช่ไหมแต่ตอนทําไม่เห็นช่วยเราเลยอย่างเงนะี้ยแล้วก็มาใช้ของของเราอ่ะอันนี้ก็จำนวนคุณดีลาวันอะนะว่างไงนะคูณดีลาวันเดี๋ยวเอาหนังสือพิมพ์มาผัดให้ทานนะใช่ไหมเวลาทําครัวเนี่ยก็มัวแต่อ่านหนังสือพิมพ์อยู่นั่นแหละเดี๋ยวเหอะ ถึงเวลาอาหารจะผัดหนังสือทีไม่กินอันนี้คุณวิลาวันว่าเองนะโกรธอย่างที่ว่าแ้ใจให่าก็ไม่ห้ามือเาทำผิดแล้วาก็โกรธทไมเขาไม่ห้ามเรานี่ยทำไมเขาไม่ห้ามเราน่าจะช่วยห้ามเราบ้างน่าจะเตือนเราบ้างนะไม่เตือนเราเลยอ่ะก็โกรธเขาเพราะเขาไม่เตือนเราอ่ะจะเตือนก็โกรธอีกนะ เขาไม่เตือนก็โกรธอีกโกรธเพราะเตือนโกรธเพราะเตือนบางทีเตือนเราก็ไม่รู้การรู้เวลาเลยนะน่าจะเตือนเราคาดีกว่านี้หน่อยเนี่ยนะก็เตือนเราในเรื่องเดียวกันในเรื่องเดียวกันเตือนก็โกรธม่เตือนก็โกรธผิดหมดเลยนะทังขึ้นทั้งลงอยู่ที่กาละนั้นอย่างอ ผู้ที่ไม่ไม่ช่วยเหลือกันเนี่ยนะบางทีก็เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเรื่องราวใหญ่โตเหมือนกันนะไอตอนที่ทำอะไรแล้วนะสมมุติว่ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอะที่มันเป็นเรื่องส่วนรวมะนะถ้าผู้ใดไม่เข้าไปช่วยประโยชน์ของทั้งกลุ่มนะจะจะเสียหายในตอนหลังและเนะีนะ่ยจะเป็นที่ตั้งแห่งการทะเลาะเบาแวงกันนะสงครามน้าลายใหญ่โตเหมือนกันเนะีนะ่ย ดีไม่ดีก็อย่างคนที่อย่างในบริษัทในที่ทำงานทั้งหลายไม่รู้จักช่วยเหลือคนอื่นเลยนะทั้งๆจริงๆมันไม่ใช่งานงานตรงหรอกแต่ก็ต้องเป็นเหตุให้ออกจากสถานที่ตรงนั้นได้เหมือนกันนะเพราะว่าคนอื่นๆก็เชื่อว่าเรียกว่าทำลายประโยชน์ของเขาเหมือนกันนะเพราะไม่ช่วยเหลือเขาเนี่ยนะ